ขอสังเกตเกี่ยวกับหลักทั่วไปในเรื่องอาชีวะข้อ4ดังได้กล่าวแล้วทางธรรมไม่สู้สนใจแง่ที่ว่าใครจะมีทรัพย์มากน้อยเท่าใดคือไม่ถือเอาการมีทรัพย์มากหรือน้อยเป็นเกณฑ์วัดความชั่วหรือดีและถือการมีทรัพย์เป็นเพียงวิถีไปสู่จุดหมายอื่นไม่ใช่เป็นจุดหมายในตัวมันเอง การที่จะสนับสนุนความมีทรัพย์หรือไม่จึงอยู่ที่การปฏิบัติเพื่อจุดหมายดังนั้นจุดที่ทำสนใจต่อทรัพย์จึงมีสองตอนคือวิธีการที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ว่าได้มาอย่างไรและการปฏิบัติต่อทรัพย์ที่มีหรือได้มาแล้วว่าจะใช้มันอย่างไรผู้สั้นๆว่าไม่เน้นการมีทรัพย์แต่เน้นการแสวงหา และการใช้จ่ายทรัพย์การมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาแล้วเก็บสะสมไว้เฉยๆท่านถือเป็นความชั่วอย่างยิ่งเช่นเดียวกับการสแสวงหาทรัพย์ในทางที่ผิดและใช้ทรัพย์ในทางที่เกิดโทษโดยในยน่านี้ความชั่วร้ายที่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติในขั้นต้นจึงมีสามอย่างคือนการสแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม 2. การครอบครองทรัพย์ไว โดยไม่ทำให้เกิดประโยชน์และ 3. การใช้จ่ายทรัพย์ในทางที่เป็นโทษอย่างไรก็ดีแม้จะสแสวงหาทรัพย์โดยชอบทมและใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ยังหาชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์ที่ถูกต้องทางธรรมโดยสมบูรณ์ไม่ทั้งนี้เพราะทางธรรมเน้นคุณค่าทางจิตใจและทางปัญญาด้วยคือการวางใจวางท่าทีต่อทรัพย์นั้นว่าจะต้องเป็นไปด้วยปัญญา ที่เรียกว่านิจสารณปัญญานิจสารณปัญญาคือความรู้เท่าทันเข้าใจคุณค่าหรือประโยชน์ที่แท้จริงของทรัพย์และขอบเขตแห่งคุณค่าหรือประโยชน์นั้นมองเห็นตระหนักถึงช่องทางที่ทรัพย์จะเป็นคุณและเป็นโทษมีจิตใจเป็นอิสระไม่เป็นทาตแต่เป็นนายของทรัพย์ให้ทรัพย์มีเพื่อรับใช้มนุษย์เป็นอุปกรณ์สําหรับทําประโยชน์และสิ่งดีงาม ช่วยผ่อนเบาทุกทำให้มีความสุขไม่ใช่กลายเป็นเหตุเพิ่มความทุกข์ทำให้เสียคุณภาพจิตทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์หรือทําให้มนุษย์ต่อมนุษย์แปลกหน้ากันด้วยเหตุนี้ในการจำแนกกา ม, มโผคีคือผู้ครองเรือนหรือชาวบ้านเป็นสิบประเภทพระพุทธเจ้าทรงแสดงผู้ครองเรือนประเภทที่สิ ว่าเป็นผู้ครองเรือนที่ประเสริฐเลิศสูงสุดจากคุณสมบัติของผู้ครองเรือนอย่างเลิศนั้นจะเห็นหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์ที่ถูกต้องตามหลักธรรมสรุปได้ดังนี้คือ 1. การหาได้แก่แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมไม่ขมเหงเบียดเบียน 2. การใช้ขั้นนี้มีการวางแผน ซึ่งถือว่ารวมทั้งการเก็บรักษาและการเป็นอยู่พอดีไว้ด้วยในตัวคือขอ้อกอเลี้ยงตนและคนที่เกี่ยวข้องรับผิด ช, ชอบให้เป็นสุขข้อข อ, ขอเพื่อแผ่แบ่งปันข้อข อ, ขอใช้ทรัพย์ทำสิ่งดีงามเป็นประโยชน์เป็นบุญรวมทั้งใช้เผยแผ่ส่งเสริมธรรม3ามการมีปัญญาที่ทำให้เป็นอิสระได้แก่ ไม่ลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมากินใช้ทรัพย์อย่างรู้เท่าทันเห็นคุณโทษมีจิตใจเป็นอิสระด้วยนิสรณะปัญญาและอาศัยทรัพย์ได้โอกาสที่จะพัฒนาจิตปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปขอยกพุทธพจน์ในอันตสูตรอังกุตรรนิกายติกนิบาต ท, ที่ตรัสสอนในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์มาดูเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย บุคคลสารจาพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกไหนคือคนตาบอดคนตาเดียวคนสองตาบุคคลตาบอดเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีดวงตาชนิดที่จะช่วยให้ได้โกพกทระซับที่ยังไม่ได้หรือทำโกพกทระซับที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนกับทั้งไม่มีดวงตาชนิดที่จะช่วยให้รู้จักทม ที่เป็นกุศลเป็นอกุศลทำมีโทษไม่มีโทษทำสามทำประนีตทำที่เปรียบได้กับของดำหรือของขาวนี่เรียกว่าบุคคลตาบอดบุคคลตาเดียวเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ชนิดที่ช่วยให้ได้โพกกระซับที่ยังไม่ได้หรือทำโคพคกระซับที่ได้แล้วให้เพิ่มพูน แต่ไม่มีดวงตาชนิดที่ช่วยให้รู้จักธทมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลทำมีโทษไม่มีโทษทำสามทำประนีตทำที่เปรียบได้กับของดำหรือของขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาเดียวบุคคลสองตาเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้มีดวงตาชนิดที่ช่วยให้ได้พวกทระพัที่ยังไม่ได้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 คือโภกรัพย์อย่างที่ว่าก็ไม่มีคุณความดีก็ไม่ทำอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าตาเดียวเที่ยวแสวงหาแต่ทรัพย์ถูกทมก็เอาผิดธ ร, รมก็เอ า, รรมเอาไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยคดโกงหรือโกหกหลอกลวงก็ได้เขาเป็นคนเสวยกามที่ฉลาดสะสมทรัพย์แต่จากนี้ไปนรก คนตาเดียวย่อมเดือดร้อนส่วนคนที่เรียกว่าสองตาเป็นคนประเสริฐย่อมแบ่งพันทรัพย์ซึ่งได้มาด้วยความขยันจากกองโภคะที่ได้มาโดยชอบรมออกเผื่อแผ่มีความคิดสูงประเสริฐมีจิตใจแน่วแน่ย่อมเข้าถึงสถานะดีงามที่ไปแล้วไม่เศร้าโศกพึ่งหลีกเว้นคนตาบอด และคนตาเดียวเสียให้ไกลควรครบหาแต่คนสองตาผู้ประเสริฐ